เอาทุกคนเอามือวางไว้บนเข่าเอามือวางไว้บนเข่าด้วยจากเข่าไหมเอามือวางไว้บนพ่วงไว้นะเดี๋ยวนี่มือเราอยู่ที่ไหนอะไรเห็นว่ามืออยู่ที่เข่านั้นอะไรรู้ว่ามืออยู่บนเขานะ้ถ้าใครบอกว่ามือของเราอยู่ที่อื่นจะเชื่อไหม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 มั่นใจไหมว่ามือข้างขวาตะแคงอยู่มีคำถามไหมว่ามือข้างขวาของฉันอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรมีคำถามไหมไม่มีคำถามใครเป็นคนรู้เราลู้เองสัจธรรมไม่มีคำถามลู้เองใช่ไหมเราลู้ว่ามือของแขนยกขึ้นเลยสิยกขึ้นเลยสิย ก, สยกหรือ ย, อยังมือข้างขวา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 เบื้องต้นคือความรู้สึกตัวท่ามกลางคือความรู้สึกตัวที่สุดก็คือความรู้สึกตัวเรามาเริ่ม ต, ต้นตรงนี้กันมาพ่สุดคกันดูหลวงพ่อจะพาลุยโลกได้เห็นแล้วนะไปกลัวอะไรโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เต น, เนินทาก็กลัวแล้วสรรเสริญก็กลัวแล้วสุขก็กลัวแล้วทุกข์ก็กลัวแล้ว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 ทำห้เราเป็นทุกข์อมทุกข์มันจะมีประโยชน์อะไรในชีวิตรเรานี่หลักหลักสูตรของชีวิตรเราเรียนให้มันจบถ้าจบตรงนี้เราลุยเลยโลกนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยวันกับถ้าจากพระพุทธเจ้าพระพุอง์ก็ว่ารู้โลกอย่างแกมแกง่โลกกิริถูรู้แล้วรู้แล้ว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 แล้วก็บอกกันแล้วให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวเวลาได้มันหลงรู้สึกตัวกลับมาหาความรู้สึกตัวมันหลงทีไรกลับมารู้สึกตัวเพราะมันเห็นอยู่บ่อยๆผ่านตาอยู่บ่อยๆสิ่งไหนที่มันผ่านตาอยู่บ่อยๆมันก็รู้แจ้เห็นแจ้งเช่นหลวงพ่อเห็นโยมสามคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเห็นกันหลายวันวันนี้ก็เห็นกันหลายครั้งก็จําได้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 คนมาทำความลูกเพื่งพาใสเ่เป็นเม็ดเป็นญาติอันเห็นไม่ใช่เห็นแค่เห็นดเฉยการมาเห็นกายของเราการมาเห็นใจของเรานะ่ะเห็นบ่อยๆมันก็จําได้มันชี้หน้ามันได้อันนี้คือกายคือรูกเห็นอะไรที่มันเกิดความร้อนความหนาวนี่มันคืออาการความสุขความทุกข์มันเป็นอาการของลูกของน้ำไมใ่ใช่ตัวใช่ต้น แต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เราไม่ได้เห็นก็มีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนไปทั้งหมดความร้อนก็คือเป็นตัวเป็นตอนอยู่ในความร้อนความหนาวก็เป็นตัวเป็นตอนอยู่ในความหนาวความสุขก็เป็นตัวเป็นตอนอยู่ในความสุขความทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความทุกข์ผอก็เลยตีวิธีสอนว่าเห็นความปวด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 ต่างกันไหมเออนกระฐานเขาจะเป็นยั ง, งั้นนะเห็นมันปวดกับเป็นผู้ปวดเห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดคาว่าเห็นเนี่ยมันออกมาดูแล้วไม่ได้อยู่กับความปวดวิธีที่จะไม่เกิดไม่เจอไม่เจบไม่ตายยกออกมาเนะนี่ยเลยวิธีฝึกเลยเห็นมันปวดไม่ได้เป็นผู้ เกี่ยวข้องกับควมงงาวมปอดยังไงเกี่ยวข้องกับความหนาวยังไงเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยังไงดูว่ถ้าเห็นแล้วหลุดพน้นไดะถ้าเป็นเราหลุดพน้นได้ยากมันหิวหิวไหมไมไ่ไใดกินข้าวเย็นว้นนะี้อะหมอทั้งหลายหิวไหมเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิว <laughs> ถ้าเป็นผู้หิวโอ้ยทกุกข์มากนะ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 เป็นผู้เครียดรเรนมันเครียดเป็นผู้ง่วงรเรนมันง่วงดยดีเลยนะมันจะออกมาออกมาตัวเบาวิวไอยอกไปมาโอ้ไม่มีอะไรเลยนั่นน่ะมกันเราเนี่ยอินทรีย์ของเราใหญ่กว่าถ้าเป็นเราหมดเนื้อหมดตัวนี่นักกรรมาฐานก็จะอารมณ์ของเขามันจะต่างกันเดี๋ยวเวลานี้เรานั่ง ตัวใช่ตดขอบคุณมันถ้านั่งอยู่มันปวดถ้านั่งไม่ปวดมันก็ไม่ใช่ลูกลูบมันจึงมีเวทนามันธรรมชาติของเขาเป็นอาการของเขาถ้ายุงกันไม่เก็บมันก็ไม่ใช่ลูบความเก็บนะ่าขอบคุณเขานะแต่รู้จักไล่โยงของเขาความหิวก็ขอบคุณเขาเขาเป็นสัญญาณดากาักไปทำให้เราจะต้องกินข้าว คำหนาวก็ขอบคุณเขาเราจะได้ห่มผ้าถ้าไม่รู้จากร้อนจากหนาวเนี่ยใช่ได้ไหมใช่ได้ไหมถ้าไม่รู้จากหิวเนี่ยใช่ได้ไหมหิวข้าวเนี่ยดีไหมนะทุกข์หรือสุขหิวข้าวทุกข์ไหมทำไมทุกข์หิวข้าวเป็นเรื่องดีไม่หิวดีไหมนะไม่หิวดีไหม ไม่หิวตายลูกเดียวอายลูกเดียวเอาข้าวมากินกูบม่หิวกูไม่กินกินวันน้อยยังไม่เกินเจ็ดวันให้เกินเจ็ดวันตายเลยถ้าหิวนี่ไม่เกินอีกสี่สักสิบชั่วโมงพกเนี่ได้กินแน่นอนไม่ตายแต่ถ้าห้าหกชั่วโมงยังไม่ตายถ้าหิวนะชื่นใจเลยโอ้กินน้ำลงไปนะให้น้ําขวดดื่มลงไปอ่ะให้ท้องมันว่า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 ไปทุกข์อะไรไม่มีความทุกข์แต่ดูดีๆไม่มีเรื่องใดที่ทําให้เราเป็นทุกข์นี่จะเป็นปัญญาความโกรธทำใเรามีปัญญาความหลงทำให้เรามีปัญญาความทุกข์ทาอะไรมีปัญญาเพราะทุกข์นี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เนี่ยทำให้เป็นพระพุทธ เ, เจาเเเ้าแต่เราเนี่ยเห็นทุกข์เพื่อเอาเป็นทุกข์ พระเจ้าเห็นทุกเป็นปัญญาเป็นปัญญาโอโ้ตื่นโยมปัญถาวาเป็นภาษาบา้านเราปัดทุเนาะเราเลยว่าพุโทโธปเพราะว่าเป็นภาษาบ้านเราปัดทุมันของทุกตัวเนาะปัดทุกมตื่นใหมมันตื่นขึ้นมาเลยมันมองโอโ้ทุกพอเห็นแล้วก็หลุดไส้กันเถิดเลย เราจึงปฏิบัติลองดูนะเนาะเจ็ดวันเอเราจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนคิดว่าจะไม่พาหลงทิศหลงทางอาเนรลงพ่อก็ดีใจที่เห็นพวกเรามีหมอหนุ่มๆน้อยๆมีครูอาจารย์มาด้วยเรื่องดีความตั้งใจของสุขโตก็มีความประสงค์อยากจะสอนเรื่องนี้กันจริงๆ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 วิปัสนาธุละธุลละใยญ่ใหญ่สอนเรื่องกรรมฐานคันธุละก็สอนกันบ้างก็งมีสอบนักธรรมชั้นโตชั้นตีชั้นเอกได้เยอะตอนสังสินก็มาอยู่สองปีสามปีก็สอบนักธรรมชั้นโทได้ชั้นเอกได้ให้เรียนอยู่แล้ววิปัสนาธุละเป็นหลักสอนเรื่องกรรมฐานเป็นสถาบานันเคยชีวิตของเรา ถ้าใครเรียนไม่จบก็เป็นการบ้านเป็นโจทย์แล้วมันเราเป็นจำเลยตลอดเวลาความโกรธเป็นจำเลยที่ทําให้เราโกรธอยู่ไปหมดเราเป็นจำเลยของความทุกข์พอเราจบแล้วจะไม่มีนะไรในโลกนี้หลวงพ่อจึงบอกพอกเราอ่ะจะพายลุยโลกมันไม่มีอะไรหรอกไม่น่ากลัวอะไรลุยมันเลยพวกเรา รู้จึกตัวรู้จึกตัวไปเลยเราก็ตั้งใจสร้างสิตไว้รอมพันธี์พัเจริญสติสำหรับวันนี้ก็สมควรใจเวลา